พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะมาถึงรายการสันสนีส น, นากันอีกแล้วนะคะต้อนรับยามเช้าอันแสนสดชื่นกับการที่จะเข้าหาธรรมะซึ่งจะมีพระอาจารย์จากอุดรธานีนะคะคือพระมหาภัยบุญอภิปุโนมาเป็นผู้ที่ทำให้เราเข้าใจคำสอนของพระศาสดาแจงแจ้งมากยิ่งขึ้นหรือว่าทาให้เรารู้จักคาสอน ของพระศาสดาทั้งในแง่มุมของธรรมะหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าเป็นปริยัติกับอีกแง่มุมหนึ่งก็คือมุมของการปฏิบัติเราไปกราบนมศ ก, การท่านกันเลยนะคะน้องศ ก, การกท่านคะเจริญพันค่ะท่านเพิ่งจบคอร์สภาษาอังกฤษไปวันไหนคะเนี่ยใช่เมื่ อ, อวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะคอร์สนี้เราพบข้อมูลอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพุทธพจน์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะ ก็คือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลมาเนี่ยท่านก็แปลมาจากภาษาบาลีแต่เราก็จะพบข้อมูลว่าโอ้มันตรงกันมากเนือภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษที่แปลมาจากภาษาบาลีเนี่ยก็จะสอดคล้องลงรับกันเหมือนกันนะเราก็ประวัอะไรต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยมันก็ไปกันได้นะเพราะว่าสภาวะจิตคนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามค่ะก็เท่ากอกว่าชาติไหนภาษาไหน าสามารถที่จะออธิบายธรรมะของพระศาสดาได้ใช่ให้คนเข้าใจได้เพราะเป็นเรื่องที่เกิดกับคนทุกชาติทุกภาษาแบบเดียวกันอยู่แล้วใช่ใช่ันี้คือหมายถึงเรื่องของจิตใจอนะเรของจิตใจเช่นการทํางานของปัตตาการทํางานของกันห้าพ น, นี้จะเป็นธรรมชาติเหมือนกันอาจารย์โทษครับแปลว่าเมื่อเป็นคนเนี่ยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พูดภาษาใดาชาติใดก็ตาม ใชแ่แล้วทีนี้ที่มันจะแตกต่างกัน น, นิดนึงก็อาจจะพื้นฐานเช่นทําให้การเข้าใจเรื่องอุปมาอุปไม้บางอย่างอันนี้ก็ต้องอธิบายกันมากหน่อยบางเรื่องก็อธิบายกันน้อยหน่อยอยากทราบว่าเวลาที่เป็นคําสอนภาษาอังกฤษพุทธพจน์เนี่ยนะคะการยกอุปมาอุปไมยจะเหมือนกับอุปมาอุปไมยที่อธิบายในภาษาไทยไหมคะถูกต้องถูกต้อง ก็จะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ยเหมือนจะเปี่ยนเพี้ยนหน่อยมันจะไม่เหมือนกับแปลอังกฤษจากที่เป็นบาลีมาออแปลจากไทยเป็นอังกฤษจะไม่ออกก็แน่สิคะท่านคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อันนี้มันหลายขั้นตอน <c oughs> ใช่ใช่แตอว่าอย่างใช่ไหมคะ <c oughs> นั่นจากบาหลีเป็นอังกฤษนี่ก็คือหนึ่งทอดหรือจากบาหลีเป็นไทยอเนี้ยน่าจะเหมือนกันไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะท่านคะ ตอนแรกว่าจะสนทนาเรื่องอื่นกับท่านก่อนแต่ว่าตอนเนี้นึกขึ้นได้ว่าจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ได้มีโอกาสไปพบพระสงฆ์ซึ่งน่าสนใจมากอืมเดือนปันแต่ที่ฉันขออนุ ญ, ญาตที่จะยังไม่เอ่ยนามท่านก็นแล้วกันนะคะคือทันทีที่คุ้กราบเนี่ยตอนแรกที่ฉันคิดว่าเป็นพระสงฆ์แบบที่เราจะพบอยู่เสมอๆว่าจะมีความเมตตาแล้วก็จะต้องสนทนา เรื่องทั่วๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคแรกที่ท่านพูดท่านก็พูดด้วยความเมตตาถึงตัวท่านเองว่าท่านไม่ค่อยรู้เรื่องล็อกเรื่องปริยัติน่ะรู้แต่เรื่องปฏิบัติแล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าท่านปฏิบัติแล้วตอนล้างมาตรวจสอบกับปริยัตยิมันก็ตรงกันนะ ใครก็พยายามจะพาเรื่องโลกเข้าไปหาท่านนะคะถามว่าเนี่ยเขากำลังจะถอดถอนกันเนี่ยท่านรู้สึกยังไงคะท่านไม่พูดค่ะท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยเมื่อปฏิบัติแล้วจะรู้ว่ามันเป็นรูปเป็นนามล้วนๆตลอดเอาเป็นว่าหมดเวลาที่สนทนากับท่านประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงท่านก็พูดวนๆอยู่แต่เรื่อง <ทำ S 1> การปฏิบัตินะคะว่า ท่านได้พบแล้วท่านก็ไพบว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นเนี่ยเมื่อมาเรียนรู้จากธรรมะที่เป็นคําสอนหรือปริยัติเนี่ยท่านก็ว่าก็ตรงกันนะแล้วสรุปว่าเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรนอกจากรูปนามอืมอ่าดี่ท่านอยากให้ท่านอธิบายเรื่องเหล่านี้เลยค่ะอตรงจุดที่เรียกว่าพอเรามีการปฏิบัติไปเรื่อยๆสิ่งที่เราได้เคยฟังมาเรียนมารู้มาเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันตรงนี้มีพุทธพจน์ที่รับรองเลยคุณโยมติว นะพระบุรุษชอบบอกว่าอย่างงี้บอกว่าพอเรามีการปฏิบัตินะั่นคือวิรยิยะคือความเปลียนนะคุณเพียรปฏิบัติไปนะปฏิบัติแล้วเสร็จแล้วเราจะตั้งสติขึ้นได้นี่คือสเต็ปที่2สติเราจะตั้งได้พอเรามีสติตั้งขึ้นได้จิตเราจะเป็นสมาธิได้นี่คือขั้นที่3าพอจิตเรามีความเป็นสมาธิตั้งขึ้นได้แล้วเราจะเห็นด้วยปัญญาได้นะว่าสังสารวัตไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นตัวตนแต่ทุกอย่างเป็นของอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอนะันนี้คือขั้นตอนที่สี่ พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราได้เคยเรียนมารู้มาเนี่ยธรรมะอันเราได้เคยฟังมาแล้วเนี่ยจะมาถูกต้องด้วยนามกายอยู่นคําว่าถูกต้องด้วยนามกายตรงเนี้ยหมายความว่าแหมมันวิ่งเข้าหากันนั่นคือสิ่งที่เราเรียนมารู้มาโอ้มันเป็นอย่างงี้นี่คือตรงจุดที่ปฏิบัติหรือพอปฏิบัติแล้วไปอ่านโอ้มันใช่เลยมันเป็นอย่างงี้อันนี้คืออยู่ที่ว่าคุณเรียนรู้มาก่อนแล้วไปปฏิบัติเนี่ยก็จะ ที่เราเรียนรู้มาก็จะเห็นได้ด้วยตัวเองในการปฏิบัตินั้นหรือถ้าเราปฏิบัติเสร็จแล้วไปเรียนรู้ไปหาข้อมูลโอ้ยตรงข้อมูลตรงนี้มันเหมือนกับที่เราเคยปฏิบัติมาอย่างนี้มันจะวิ่งเข้าหากันแต่ตรงนี้เขาจะเกิดขั้นตอนที่ห้าคือความมั่นใจคือศรัทธานั่นเองอันนี้คือขั้นตอนที่ห้าก็คือไล่จากวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็กลับมาที่ศรัทธาค่ะนะคือดิฉันตั้งข้อสังเกตอยู่ อย่างหนึ่งประเด็นแรกที่จะถามนะคะว่าทําไมเมื่อมีใครไปปรับเรียนสนทนาออกนอกทางโลกนิดหนึ่งเรนว่าท่านได้ยินนะเขาไม่ได้ไม่ได้ยินแต่ท่านท่านตอบเป็นเรื่องธรรมะ ม, มา<อ>ไปเลย okay. แล้วก็แล้วก็เป็นธรรมะคนละเรื่องเลยนะคะคือเหมือนกับไม่ไม่ลงไปในรายละเอียดตรงนั้นแต่สรุปว่าไอ้ที่พูดทั้งหมดมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องลูกกับน้ำเท่านั้นอืมดิฉันว่าก็เข้าใจยากอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีภูมิธรรมอย่างนี้ ถ้าเอาไปตอบโจทย์ที่เขาตั้งคำถามเรื่องโลกโทั้งหลายเนี่ยนะค ะ, ะทําไมถึงอธิบายมาเป็นรูปนามได้เพราะว่าเรื่องพวกนั้นมันดูเหมือ น, นเป็นเรื่องมุ่นไวย์เรื่องกิเลสนะคะอ๋ อ, อมันมีอยู่สองกรณีกรณีแรกก็คือว่าพระภิกษุเนี่ยจะไปพูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องอริย ส, สัจสไม่ใช่เรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าพูดก็คือเป็นเดรัจฉานคถาแต่ถ้าจะพูดก็ต้องพูดว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นทุกข์ อย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุเกิดทุกไนะล่ไปจนถึงอริยสัจ ส, สี่ถ้าจะพูดก็ต้องพูดให้มันจับลงในอริยสัจ ส, สีให้ได<ม>นะ้ถ้าจะพูดนะก็ต้องพูด ใ, ให้จับลงในอริยสัจ ส, สีได้จะไปพูดเรื่องภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทะเลพระราชาหนทางหรือว่าโรงดื่มอะไรพวกเนี้มันมันจะนอกแนวแต่ก็ต้องพูดดึงให้กลับมาอยู่ที่อริยสัจ ส, สีที น, นี้ในกรณีของแต่ละบุคคลเนี่ยความสามารถตรงนี้ก็ไม่เท่ากัน ความสามารถในการที่จะแสดงทำบอกสอนให้คนมีความเข้าใจได้บางท่านบางคนอาจสามารถยกอุปมาอุปไมยแสดงให้มีความวิจิตพิสดารอย่างเช่นท่านพระกุมารกสะปะเป็นต้นแลบางคนก็จะมีความสามารถในการแจกแจงให้เห็นรายละเอียด1นึ่ง6องสามในอย่างท่านพระมาหากระจายนะเป็นต้นแล้วก็จะมีความสามารถไม่เท่ากันทีนี้อยู่ที่ว่าเราฟังแล้วเราจะจับประเด็นอะไรต่างๆได้ยังไงจากคนที่ ทีไ่ไปฟังนี่แหละเพรา ะ, ะว่าจริงๆแล้วทุกเรื่องมันเกี่ยวกันได้อย่างที่คุณโยมติ๋วในกรณีที่สองเนี่ยที่พูดถึงว่าเรื่องของนามรูปแล่นมันเป็นนามมันเป็นรูปยังไงเอาอย่างเช่นว่านโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากําลังดําเนินนโยบายกันหรือว่าทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึ่งพวกนี้เป็นเรื่องของสัญญาทั้งสิน้นสัญญาคือความหมายรู้นะความหมายรู้ซึ่งสัญญาที่เป็นไปในอดีต นะสัญญาที่เป็นในอดีตเช่นนโยบายที่ผ่านมาแล้วความทรงจําที่ผ่านมาแล้วสัญญาที่เป็นไปในอนาคตนะยาวละเอียดเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามแตนะ่ทั้งหมดนั้นคือสัญญาทั้งสิ้นเลยนะจะเป็นของเราก็ตามหรือของคนอื่นก็ตามแตนะอันนั้นเนี่ยเป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุ ป, ปัจจัยจึงเกิดขึ้นใ <Okay. S 1> นะเหตุปัจจัยมันปรุงแต่งมาเป็นอย่างนี้ แต่พอมันปรุงแต่งมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องปรุงแต่งต่อไปล่ะแล้วถ้าเราจะไปมีความคิดว่าเ้อเราจะปรุงแต่งให้มันเป็นไปในทางของฉันตามที่ฉันต้องการเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยของมันซึ่งเหตุปัจจัยของมันที่มันเป็นมาอย่างนี้แล้วมันจะเป็นไปยังไงเนี่ยเราควบคุมเหตุปัจจัยนั้นไม่ได้หมดไม่ได้หมดพอเราควบคุมไม่ได้หมดแล้วเราต้องการควบคุมให้มันเป็นไปได้ความทุกข์จะเกิดตรงนี้แต่พราะความทุกข์จะเกิดตรงนี้เราจะจีดมาก เพราะมันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังอะทำไมเราถึงมีความเห็นอย่างนั้นก็นี่แหละเรียกว่าสักยทิฏฐิเีเป็นความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนของเราเราจะควบคุมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่สิ่งที่ต้องมีก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นว่าเฮ้ยมันมีเหตุปัจจัยของมันนะถ้าเราพอจะสร้างเหตุปัจจัยได้เราก็พอจะควบคุมได้แต่เหตุปัจจัยนั้นบางทีเราสร้างไม่ได้เราไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้แต่แม้แต่การเลือกตั้งบางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่หวัง หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอบบมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งเป็นการที่เราควบคุมได้ยากตรงนี้ค่ะอันนี้ท่านกําลังจะบอกว่าพระคุณเจ้ารูปนี้เนี่ยท่านหน้าที่จะเป็นพระซึ่งพยายามอยู่ในพระวินยัยที่จะไม่พูดอะไรนอกแนวนี่เป็นประเด็นหนึ่งนะคะอย่างที่สองก็คือว่าหากจะอธิบายในส่วนของเรื่องทําไมท่านตอบแต่รูปนามรูปนามอืมท่านก็ ท่านพบูรณ์ก็จึงได้พูดถึงว่าอันนี้ท่านก็อธิบายด้วยธรรมะของพระพุทธองค์คือสัญญาใช่ไหมคะเมื่อกี้ท่านพูด ถ, ถึงสัญญาถูกต้องใช่สัญญ า, ส, ญญาสัญญาคือเรื่องขันห้าคือความหมายรู้เหนือในขันห้าอันนี้คือนามถูกต้องรูปอยู่ตรงไหนคะรูปก็คืออยู่ในกายของเราถ้าสีดินน้ำไฟลมค่ะแล้วคื อ, ค, อคือเรื่องของรูปเนี่ยมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตรงนี้ไนงะคุณโยมติวว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีรูป หรืถ้าเราไม่มีรูปเราจะไม่มีอินรีย์คอินทรีย์นีหมายถึงคือสิ่งมีชีวิตในกายของเราใช่ไหมพอเราไม่มีรูปเราจะไม่มีอินทรีย์พอเราไม่มีอินรีย์เนี่ยเราจะไม่สามารถรับรู้คือไม่มีหูอ่ะว่างั่านนะพอคุณไม่มีหูเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ได้ยินเสียงไม่ได้พอได้ินเสียงไม่ได้คุณก็จะไม่รู้หรอกว่ามันอะไรเกิดขึ้นมันจึงต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคจึงมีจึงมีความคิดมีสัญญาเกิดขึ้นต้องอาศัยรูป้จึงมีอินรีย์เกิดอย่างนี้ไปต่อ แอีกอย่างนึงที่ท่านพูดคื อ, อพระสงฆ์หรือผู้ที่จะปฏิบัติธรรมรักษาศีลตามแบบที่พระพุทธองค์ตรัสโดยวฉพาพระสงฆ์แหละถูกไหมคะไม่พูดเรื่องเรื่องอะไรนะคะที่ท่านว่าเป็นเดราชากรถ า, าเรื่องเดราชากระถาเดราชากระานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะมีเดราชานก่อนคํานี้ก่อนนะค ำ, คำนี้ก็คือเรื่องขวางหนทางธรรมคำว่าเดรชาเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่ไปในแนวขวาง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 เรื่องตรองทางเดินเรื่องท่านา้ําเรื่องคนที่ตายไปแล้วเรื่องต่างๆนาน า, นาเรื่องโลกเรื่องหมาสมุติเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความสุดมซมเหล่านี้เน่ยไม่ควรกล่าวเพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ค่ะเยอะไปหมดเลยนะ <c oughs> คือดิฉันเคยอ่านนะคะพอท่านพูดเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านใช่เคยอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่เหลือสักเรื่องที่พูดเลยนะคะเนี่ยคือคือสมมุติจะไปจะไปที่ไหนแล้วก็บอกโอ้ที่นั่นอยู่ยากบินทบานหายาก นี่ <Okay. S 2> มันก็พูดเรื่องบ้านเมืองกันนั้นนะเรื่องเรื่องข่าวเรื่องนะ้ำมันก็พูดไม่ได้นะ่ยถ้า <Okay. S 2> จะกล่าวตรงนี้ไงแต่พนะระพุทธเจ้าจึงตรัสไปตรงนี้ว่าเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกเน่ยเช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุเกิดทุกแต่หนะมาถึงอริยสัจสีทุกสมุทัยนี้รอดมากใช่ไหมค่ <Okay. S 2> นะเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าภิกษุไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็จะถามงนี้แตนะ่ว่าเธอมาจากที่เนี่ยเออเธอยังพออดทน รเรื่องบินทบาต ท, ที่เป็นตามมีตามได้หรือว่าจีวอที่เป็นไปตามมีตามได้ได้หรือไม่พระบุทรเจ้าจะถามอี้คือถามสารทุกสุขเด็บท่านคะทิฉันก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าการที่ประสงค์ปฏิบัติเช่นนี้ไม่พูดเดรัจฉานคาถาหากจะพูดต้องให้มีเรื่องอริยสัจ4ี่เข้าไปด้วยถูกต้องได้อะไรขึ้นมาคะจากการทําแบบนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงื่อนต้นของการปฏิบัติเยจะเป็นประโยชน์เป็นไปพร้อมเรื่องความหนาทุกความไกลกหนัด ความรู้ยิ่งความรู้ความ น, นิพพานจะเป็นประโยชน์ตรงนี้ค่ะอการหนทุกไปถึงนิพพานเลยเหรอครับถูกต้องถูกต้องพูดในเรื่องที่มันจะมาลงอริย ส, สัจสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นอ่าพวกเราธรรมดาเนี่ยเราฝึกพูดแบบนี้ได้ประโยชน์อะไรไหมคะหรือไม่จําเป็นหรอกเราเป็นคนธรรมดาไม่ต้องโอ้อันนี้สําคัญเลยเพราะว่าจะทําให้จิตเราเนี่ยมาในทางสาาัมมาวชิระ นะเพราะว่าถ้าเราไม่พูดเรื่องพวกนี้นะมันจะไปหาเรื่องทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้เลยคุณยมเตีวเนะี่ยได้น้อยมากเอาว่างั้นเถอะนะได้น้อยมากเช่นว่าเราไม่พูดเรื่องการเมืองเราไม่พูดเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันเราไม่พูดเรื่องตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องพูดอยู่ไม่กี่เรื่องซึ่งมันจะมันลงกันได้ค่ะที่เราเป็นคนธรรมดานะคะเรายังไม่ใช่พระไม่มีศีลมากํากับเยอะแย ะ, ยะไม่ต้องปไปยุตวินัยอะไรมากมายอ่าก็ ม, มีมาตรฐานคนดีของแต่ละคนก็แล้วแต่ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นค่านิยมที่คล้ายๆกันในการที่จะอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเราก็ต้องพูดบ้างก็ไม่พูดโกหกเนียไม่พูดโกหกค่ะสมมุติว่าเอาเราทาตามสีและไม่พูดโกหกนะคะไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเราจะมาทดสอบยกตัวอย่างขึ้นมานะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้เห็นแ ง, งเน่เห็นมุมว่าไอ้ที่เราพูดพูดอยู่ทุกวันเนี่ย ก็เป็นไปเพื่อหลุดพ้นเป็นไปเพื่อนี่ผ่านได้ด้วยเหมือนกันดังันขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านอ่าแสดงได้ไหมคะว่าเป็นไปได้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นพูดเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันอเช่นดิฉันเนี่ยยึดมั่นแบบนี้เลยเพื่อนดิฉันก็ยึดมั่นอีกแบบหนึ่งเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะอ่าบางคนเนี่ยมองเห็นเป็นสามดิฉันเห็นเป็นสี่อ่มดิฉันเห็นสี่ถูกเขาเห็นสามถูกในเรื่องเดียวกันอจะพูดพูดยังไงให้ เพราะฉะนั้นถ้าเรา <ไป S 1> <ส>จะพูดในเรื่องนี้ให้เป็นธรรมะนี่ยก็คือว่าส่วนเนี้ยคือส่วนที่เป็นการพูด <AS. S 2> การจาเป็ น, ส, ส, น, ปนสัญญ า, ค, า, มม า, ารรคือเป็นเรื่องของทุกข์นั่นเองเป็นเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของความหมายเรื่องของการปรุงแต่งเนี่ยคือเป็นเรื่องของทุกข์ในการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นนี่คือตัณหาเราจะพูดตรงนี้ก็ได้แล้วในขณะเดียวกันเอ๊ะเราจะออกจากตรงนี้ได้อย่างไรเอางั้นเราใช้หลักสัมมาวาจาถ้าจะพูดกันก็ไม่พูดทิมแทงกันถ้าจะพูดเชี่ยเห็นความแตกต่างอันนี้พูดได้ เป็นบนดิตคอยที่จะชี้โทษนะบอกได้แต่เป็นมบนดิตชี้โทษแล้วก็ต้องมีสัมมาวาจามีจิตใจที่มีเมตต า, าถ้ามันพูดแล้วมันจะเป็นไปเพื่อการทะเลาะกันเราหยุดก่อนหยุดก่อนอันนี้เป็นธรรมะแน่นอนค่ะอันนี้คือในทางโลกหรือว่าคุณพูดเรื่องดินฟ้าอากาศโอ้ไปที่นี่มามันเป็นอากาศเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คือพูดเรื่องที่มันจะวางคนต่างทมขึ้นมาแล้วนะแล้วทําทไงเราจะปรับให้มันเข้ามาใน เรื่องที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพานใช่ไหมแล้ว <recall. S 1> ก็ปรบบับขึ้นม า, านโอ้ธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้นั่นก็คือในขณะที่เราพูดถึงเรื่องความทุกข์ขึ้นมาคุณก็พูดถึงเรื่องขอ ง, <recall. S 1> ของมรรคขึ้นมานั่นเราก็ต้องมีความอดทนจะ <Tell. S 1> อดทนยังไงเราก็พูดถึงประเด็ตตนตรง น, น, นี้นั่น <ka. S 1> เราเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยแต่เธอยังอดทนอยู่ได้ไหมในอาหารบินบาบที่ตามมีตามได้นั่นก็คือถามถึงสารทุกข์สุขดิบในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นเรื่องขววาาาาาางงงงงนนนนททรรรรมะี่่่คืืือออพเเ้ถถึขํ เรื่องผ้าเรื่องที่นอนนะแต่ธรรมะอดทนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นไปตามมีตามได้ได้หรือไม่แล้วก็อยู่ในแนวอริยะ ส, ะสัจส <Okay. S 1> อันนี้ตัวอย่างเราจะเวลาเราคิดเราจะทําอะไรเนี่ยไอายการคิดในกระบวนการที่จะให้มันมันลงในอริยะสัจสี่อตรงนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นทางออกทุกข์ในการคิดกระบวนการแบบนี้เรียกว่าโยนิโสมณสิการคือการทําในใจโดยแยกขายจิตใจเราจะอยู่ในธรรมะตลอดคุณยมเดียวใช่ไหคะ อันนี้ก็เหมือนกับว่าตั้งโจทย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เห็นว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไปนุ่งขาวห่วมขาวทำตัวเือ น, ร ะ, นระเบียบเรียบร้อยเหมือนบางทีทำกว่าพระ oh, ด้วยนะคะ่เห็นคนพยายาแล้วก็ถูกเพื่อนมองว่าเป็นคนประหลาดก็สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนในออฟฟิศธรรมดามโดยมี อริยสัจสีเขเวยตรงไหนได้ฝึกไปเรื่อยแต่ต้องมีศิละปะเหมือนกันนะคะเพราะบางทีเพื่อนคุยด้วยเขาก็อาจจะรู้สึกเลื่อต้องพูดให้ถูกจังหวะใช่ตรงนี้ก็คือคือโยนิโสมนาสิการค่ะ<ม>แต่เราเป็นคนโยเนี่ยเราก็ได้โยนิโสมนาสิการนนะคะผู้สั้นๆใช่ก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจทีเดียวและดิฉันก็ดิฉันชอบนะคะขออัท่านโทษนึนนะคะงครเหมือนกับว่ามีคนรู้สึกศรัทธา อพระกุณเจ้ารูปนี้ขึ้นมาอย่างประหลาด ท, าทั้งทนที่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากเลยแต่นี้เป็นความรู้สึกว่าท่านสํารวมระวังมากแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอึดอัดแต่เรารู้สึกว่าพระสงฆ์เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหรือมีสไตล์หนึ่งที่พร ะ, ะพุทธเจ้าคเคยใช้อันนี้คือเขาเรียกว่าถามเรื่องอะไรมาก็ตามอ่ะตอบเรื่องธรรมะไปอย่างเดียวนะจะบอกว่าตอบนอกเรื่อง ก็ว่าได้ก็ทำไมไม่ตอบตรงคำถามก็ตอบคำถามที่มันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์นั่นก็คือคพูดนอกเรื่องไปเลยพูดดึงเรื่องมาให้ลงในธรรมะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งหรืออีกสไตล์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็เคยใช้ก็คือนิ่งไปเลยนิ่งไปเลยแบบรู้สิปไปเลยไม่พูดด้วยเลยค่ะที่ฉันคิดว่าเรื่องแบบนี้ บางทีเราก็ต้องใช้ในปริมาณที่ให้เหมาะกับคนที่เราพูดด้วยอือด้วยคือบานทีถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็นิ่งไปเลยดีกว่าใช่นะคะหรือว่าหรือรถ้าพูดไ ป, ปแล้วเขาจะคิดเป็นอกุศลน่ะค่ะอ่าก็ก็นิ่งไปเลยค่ะแล้วแล้วในในเรื่องของการพูดจาเนี่ยก็ต้องบอกตรงนี้ว่าอย่างที่ที่เรามาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเอ้ยเราพยายามที่จะโยนิโสตรงนี้คือจิตใจเราเนี่ยมีสมาธิฐิ่นะ ในการพูดที่จะดึงมาไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่แต่ดึงให้มันมาลงในเรื่องของอริยสัจสี่แต่ความ ค, คิดความดำริตรตรงนี้เป็นสมาธิติเป็นสมาสังกัปะแน่นอนค่ะแต่มันจะไม่มีอืมค่ะก็มีเพื่อนที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ได้สังเกตนะคะว่าพฤติกรรมในการพูดคุยเขาจะสํารวมระวังคือเหมือนกับว่าจะพูดไม่ไม่ฟุ่งเฟย อ, อืมแล้วก็ ต, ตรงไหนนิ่งได้เนี่ยเขาจะนิ่งเลยค่ะอืม แล้วเราก็เข้าใจว่านี่แหละเขากําลังฝึกตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันก็ทําทให้เรานึกอนุโมทนาแล้วก็รู้สึกเออพอดีเหมือนกันนะเราก็ควรจะทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วแล้วคนที่ไม่พูดโปรยประโยชน์ทิ้งเนี่ยใช้ศัพท์คำนี้พุทธเจ้าใช้ศัพท์คำนี้คือคนที่ไม่พูดโปรยประโยชน์ทิ้งเสียเนี่ยก็คือพูดมากพูดเยอะแต่หาสาระอะไรนิดนิดหน่อยๆได้เท่านั้นเองแต่คนที่พูดน้อยๆเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยนะคนจะจํา คนจะเทคิดซีเรียสเลยบอกโอ้าขาพูดคํำนี้ออกมาหมายความว่าไงเดี๋ยวมันก็จะจะมีคุณค่าในการที่จะจดจําหลักคําพูดของเขาอันนี้นะ ค, ะคือเรื่องของวาจาด้วยแล้วแล้วการที่เขาตั้งสติขึ้นในการที่เขาจะจะพูดดีๆพูดเรื่องที่มันสวยๆงามๆเนี่ยอันนี้คือสมาสติแน่นอนนะคือคมักแตกจนอยู่ในเนี้ยบ้างกัเถอ ะ, ะก็นในแงได้มุมที่จะทําให้ท่านทั้งหลายเน้นนำเอาการดําเนินตามคําสอนของพระศาสดาไปใช้ในชีวิตของพวกเราด้วย จากการที่ศึกษาสังเกตจากการดำเนินชีวิตของระสาวกของพระพุทธศาสนาก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้อย่างที่ดิฉันได้มีประสบการณ์ไปพบนะคะไปบท่านไปบุญเราก็จะต้องอาลาท่านฟังกันแล้วนะคะกราบธรรมสการ์กรบกบุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะไปบรรสการค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะและนั่นก็คือกระมหาไปบุญอภิปุนโนนะคะวัดป่าดอนไฮโซดอนธานีวัดที่มีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมกันเต็น ประจำนะคะแล้วก็ใน1ปีก็จะมีคอร์สพิเศษเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะวันนี้เราก็ฝากกันเอาไว้ไปลองฝึกปฏิบัติดูก็แล้วกันค่ะในชีวิตประจำวันมีโจทย์ให้ท่านฝึกตลอดเวลาก็แล้วกันในเรื่องที่จะใช้ธรรมะเข้ามาทำให้เราอยู่บนเส้นทางนะคะเหมือนกับกาลังพยายามเดินทางไปสู่จุดสูงสุดของการเป็น ผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระศาสดาคือพ้นทุกข์ในที่สุดค่ะวันนี้ลาการเตะเพียงเท่า น, นี้นะคะดิฉันสันสนีน้าพง์รายการสันสนีสนทนาเชิญท่านมาฟังรายการที่วิทยุครอบครัวข่าวร้อยหกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธสวัสดีค่ะ